อํานวยพรสริสวัสตพิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความพาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมพุทธศาสนาสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญป่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ ในช่วงเวลาต่อยจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวทำมิกระาปาตะกระถาทำ อ, อันจะได้นำเอาคำสั่งซ้อนในทางพระพุทธศาสนา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 ที่จะนำมาก่าวในวันนี้ขอให้หัวข้อว่าโลกร่มเย็นอยู่ได้ด้วยอำนาจศาสนาขอให้มหืมใครทห่ายได้ลองฟังดูไม่ต้องเชื่อก็ได้วางใจเป็นกลางอย่าเพิ่งด่วนปฏิเสธสิลวาศาสนานี่จะดีอะไรนักนาะถึงกับจะทำให้โลกร่มเย็นอยู่ได้ จะพึ่งดวนปฏิเสธฟังไว้ก่อนจะเป็นการดีคนในยุคเทคโนโลยีในยุคมสมัยใหม่ที่จะเรินรุ่งเรืองขึ้นถึงอวกาศถึงดวงดาวกันนี้กำลังหันหลังให้กำลังปฏิเสธศาสนาชนิดที่เรียกว่าไม่จำเป็นต้องมีศาสตร์านาพอจะมาพูดเรื่องโรคร่มเย็นอยู่ได้ด้วยอำนาจศาสนาก็จะหัวเราะการ และจะพานไม่ฟังเอาเสียด้วยหาว่าพูดเพ้อฝันเพ้อเจ้อไปก็อยากจะขอร้องให้ท่านตั้งหลายได้ฟังกพรฝึดวนปฏิเสธซึ่งทุกวันนี้เคยเพบพวกฝลังมั่งค่าที่ถือว่าจเจริญกำลังปฏิเสธศาสนาเป็นส่วนมาก not necessary to have a n e r g y i a n we are stand on one leg. I free mind is better. ฝ <c oughs> ลังจำนวนมากเคยพูดอย่างนี้เมื่อได้คุย เ, เรื่องศาสนาเขาบอกว่าไม่จะเป็นต้องมีศาสนาใด้แล้วยืนอยู่บนขาของเราอยู่จะอิสระดีกว่าเร <c oughs> าก็ลองดูว่าถ้าไม่มีศาสนาแล้วโลกนี้มันจะเป็นอย่างไรและถ้าหากมีศาสนา โลกนี้จะอยู่เย็นเป็นสุขอย่างไรก็อยากจะฝากท่านทั้งหลายลองรับฟังดูข้อนี้ต้องขอยืนยันด้วยเกียรติของศาสน า, าโดยเฉพาะพุทธศาสนาพอมีประโยชน์ต่อโลกต่อประเทศชาติต่อสังคมต่อบ้านเมืองอย่างเลือคขนาดนับหาประมาณนม้ได้ แต่คนทั้งหลายในยุคปัจจุบันยุคที่จเจริญด้วยเทคโนโลยีนี่กำลังมองข้ามกำลังหันหลังให้แก่ศาสนาหันหลังให้แก่ธรรมโดยเข้าใจเสีว่าธรรมะนี้เป็นสิ่งที่ทำให้คนคลิกขละลาสมัยไม่ทันคนอื่นเขาเป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปีเห็นว่าศาสนาะหรือคุณธรรมนี่เป็นเครื่องทวงความจเจริญของชีวิตของชาติของสังคม มันก็เป็นสิ่งที่น่าสงสารน่าสมเพชเวทนาในความบ้องตื้นของมนุษย์ยุคอวกาศที่ขึ้นไปไกลยิ่งถุกวันนี้ประเทศไทยเราพัฒนาอย่างรุนแรงรวดเร็วเชี่ยวกลากไปสู่ความเป็นนิก้อมก็พือพัฒนาแต่ทางวัตถกุการลงทุนการลงทุนภาคอุตสาหกรรมอะไรต่ออะไร จนลืมคำหนึ่งถึงความมั่นคงแห่งจิตใจคือศาสนาโลกก็เลยได้เจริญสมใจนึกเจริญทางวัตถุทางวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีจนกล้าวมาสู่ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่เรียกว่านิค <c oughs> (Newly Industrialized) แต่สจแล้วปัญหาของชีวิตปัญหาปเจกชน มากขึ้นน้องชายเอาปืนยิงพี่ชายตายเพราะกินตับา พ, พี่น้องชายเลี้ยงไว้เพื่อนกับเพื่อนต้องเอาปืนยิงกันตายเพราะเถียงกันลงกันไม่ได้เรื่องไก่ชนอะไรต่างๆเหล่านี้แหละข่าวๆในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกอย่างมีแต่เรื่องราวบัตรสีบัตรทะลึงเรื่องเลวร้ายทางสังคม บ่งบอกถึงความเสื่อมโทรมต่ำทรามของจิตใจทั้งอยู่ในบ้านและอยู่ในวัดเราก็จะเห็นได้ว่าความเจริญทางวัตถุก็ไม่สามารถจะช่วยอะไรให้สังคมมีความร่มเย็นให้ชีวิตมีความสงบได้ข้าทํานองที่คนโบราณยีสารบ้านเราว่านี่เกียนกันว่ามีง้วพร่สิเอาอยัางน้อมาแก่นี่จะเกี้ยนขันว่ามีใหม่คาง้อสิงาม สขีดินมีเห้อขันบามีพายขวงสิบเป็นห้างพักบัวมีผัวบามีหลบหน่อยเขาเสิเอิดแม่มันมีขันบามีผัวสอดนอนนําเขาสีดามีหลบหามีหย่อนโซ่เขาเสียเหงิงเกี่ยวใส่ทาง มีทองกันบะมีร้เฝ่าพัจจานี้หมือนหอยเถือมีคัมบะมีอินออยออยไวแกบอกฟังมีทองไม่มีธรรมมีวัตถุไม่มีธรรมะมีความเจริญรุ่งเรืองทางวัตถุแต่เกิดความร้าวร้อนทางด้านจิตใจไม่เกิดความสงบเยือกเย็น วัตถุเข้าของเงินทองที่เราปรารถนากันนะกันนะมันอำนวยอวยให้เกิดความสะดวกทางกายความสบายทางกายแต่จิตใจกลับเกิดความขาดแคลนหาความสงบร่มเย็นจนไว้ใจกันไม่ได้มีแต่มนุษย์อันตรายปากคูดอย่างใจไปอย่างไม่มีใครสามารถจะไว้วางใจกันได้อย่างสนิทใจ แม้แต่ลูกพ่อแม่เดียวกันแม้แต่วัดว่าอารามพระสงฆ์องค์เจ้าในวัดเดียวกันร้องสาองค์ทะเลาะกันอย่างนี้มันก็สุดแล้วสุดที่จะเสื่อมตามเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุ น, นั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ฟ้องถึงความเสื่อมของศาสนาและก็ไม่ได้รับความร่มเย็นแต่ถ้าหาก ไม่เกิดสภาวะอย่างนี้ก็แสดงว่าศาสนาของเรานั้นยังมีอนุภาพในจิตในใจในสังคมได้ซึมซ่านแพ่ปกคลุมหุ้มห่อให้ความสงบร่มเย็นแก่สังคมสมัยโบราณไม่เจริญรุ่งเรืองแต่ก็สงบร่มเย็นชีวิตของคนมีความสุขใจยิ่งกว่านี้ถึงแม้กายจะลำบากขีดเวียน ที่เกวียนหาบสิ่งหาบของเข้าไปในเมืองสินค้าราคาถูกซื้อกันไม่แพงเงินไม่เฟอ้ออย่างทุกวันนี้ไม่มีเงินฝากธนาคารแต่มีอาหารกินไปไ ว, วันวันวันจิตใจสงบเยือกเยน็นรำ่ำงับรอกันได้คอยกันได้ยอมกันได้ให้อภัยกันได้อยู่กันอย่างพี่อย่างน้องในสังคมหนึ่งหนึ่งรู้สึกมันจะอบอุ่นเยือกเยน็น ชนิดทีรอย่วสวรรค์บนดินโดยไม่รู้สึกตัวนั่นคือความสมดุลทางจิตใจโดยอาศัยอำนาจสาตนาคือคุณธรรมทุกคนรู้จักบาปบุญคุณโทษทุกคนรู้จักให้อาภาัยกันทุกคนมีความเมตตาปานีชช่วยเหลือเจือจนุนเ อ, อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ยามตกทุกข์ได้ยากเก็บไข้ได้ป่วยล้มหายตายไปในสังคม ในนี้สังคมเต็มไปด้วยความตึงเครียดตึงเครียดจนสั่นเสียวมองกันมันไม่ไว้ใจกันได้มีแต่มนุษย์อันตรายบ้านใกล้เรือนเคียงกันก็หวังพึ่งพาอาศัยยามเจ็บยามไ่้ยามเป็นยามตายกันไม่ได้จะมาว่าอะไรามากแมนะ้แต่ในครอบครัวเดียวกันสมัยก่อนถ้าคนหนึ่งเก็บไขได้ป่วยในหมู่บ้านชาวบ้านจะมาเยี่ยมกัน เตไปหมดขายไปทุ่งไปท่าไปป่าไปเขามีของอยากของกินเรจอร่อยโอ้พูดภาษาอีสานว่าซีนตอนน้าป่าตอนใหญ่มกใหม่หน่วยแสบสุกหวานไปป่าไปเขาคิดเห็นคนไข้อยู่ในบ้านว่าเฮื่อนนั่นเพิ่นคล่ำเพิ่นไข่มาดนเอาไปฝาก มันก่อให้เกิดความสงบเยือกเย็นทางจิตใจความเอื้ออาทอนซึ่งกันและกันตามเหมือนพี่เหมือนน้องอยู่ในอ้อมกอดอันอบอุ่นแห่งสิ้นแห่งธรรมเดี๋ยวนี้ไม่ได้ บ้านหลังหนึ่งกำลังเป็นค่ายปงาัปงปงา่าปังง่ากำลังรอดูใจกันอยู่กำลังจะสิ้นใจบ้านข้างๆเปิดสเตอริโอสตริงคอมโบสนันบันไหวกินเหล้าร้องเพลงเล่นเฮลโลตายตายไปไวๆจะได้ไปเล่นเฮลโลในงานศพ <c oughs> คิดไปอย่างนั้นโลกทุกวันนี้เต็มไปด้วยความร้ะร้อนสั่นเสียวไม่มีความอบอุ่นไม่มีความนืกถึง ทั้งหมดนั้นคือการขาดศิลขาดธรรมคนสมัยโบราณไม่ได้หนังสือกันเท่าไรไม่มีใครจบปริญญาครูบาอาจารย์ก็ไม่มีมากนะักปาดอาจารย์นักปรัชญาทฤษฎีบัณฑิตอะไรต่งางๆมันไม่ค่อยมีมากความเจริญทางวัตถุ ก, ก็ไม่มีแต่เขามีความเจริญทางด้านจิตใจพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ต้องมาเทศมากมายกายกองอย่างทุกวันนี้ดอกถือคัมภีร์เวลานอ่านให้กันฟัง ผู้อยู่บ้านผู้เท่าผู้แก่ไปฟังแล้วก็ น, นํามาเล่าให้หลกให้หลานฟังอย่างนี้แหละโรคมันก็ร่มเย็นอยู่ได้ร่มเย็นอยู่ได้เป็นพี่น้องบ้านหนึ่งเมืองเดียวกันงา่ามขาดเขินเจ็บเป็นกระเพิงภาคกันใดแง่มเม่าหมอล้านั่งมวยห่มกันเมี่ยงข่าสงสวยซุ้มจูดผอบสะการให้ส่งถึงพุ้นบ้านพีหนี่บ้านหนองปองดองหักแกนถูกหย่าแขนว่านเอินซอยกัน ทั้งหมดนั้นคือสังคมที่ประกอบไปด้วยธรรมเป็นอยู่โดยธรรมช่วยเหลือกันโดยธรรมสมกับเกิดมาเป็นเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นแต่เดือนนี้บูชาวัตถุบาดสจากสินธรรมดูถูกศาตนาเหยียบย่ำทำลายมองไม่เห็นคุณค่ามันก็เกิดความเล่าร้อนอย่างนี้ พระศ า, าสดาท่านได้ตรัสไว้มันจะตกแต่งในบาทอังคุตรนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่21ก้อที่160 ห, ห, หน้า197 ส, สยามรัชบภาษาบาลี ท่านกล่าวว่าสุขโตวาพิกเวโลเกติธรมนโนสุขตะวินโยติธัตตะพะหุชนะหิตายาพะพหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะอาทายะหิตายะสุขายะเทวามนุสลานังเดีก่อนพิสุทั้ทางหลายเมื่อใดอเรา ตถาคตหรือธรรมวินัยของตถาคตยังคงมีอยู่ในโลกนี้เพียงใดก็ยอมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความสุขเพื่อความร่มเย็นเพื่อประโยชน์แก่มหาชนเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่หมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอยู่เพียงนั้นนี่คืออำนาจนี่คือคุณค่าศาสนามันมีอยู่เพียงใดก็มีความุกสงบร่มเย็นอยู่เพียงนั้น แต่หากมันมีน้อยความสุขสงบร่มเย็นก็ น, น้อยลงไปแต่หากของมันหมดสิ้นไปความเร่าร้อนต่างๆมันก็เกิดขึ้นตุกวันเราจึงเห็นได้ว่าโรค ก, กําลังขาดแทนสิ่งเหล่านี้และมีคนเป็นจำนวนมากที่กําลังมองข้ามเสร็จแล้วมันก็หนีไปไม่พน้นหนีไปไม่พน้นพูดถึงตรงนี้ก็นึกถึงเรื่องราวในรามเกียรติที่เคยเล่าเอาไว้ รามเกียรตินี่เขาแต่งมาเป็นเวลาพันสองพันปีคนแต่งคือฤาษีวาลมิกิก็ไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องจังอะไรท้อเรื่องพระรักพระรามเรื่องฮานุมานชานสามอ้อนเรื่อง <c oughs> นิลนนเรื่องพี่เพชอะไรต่างๆทั้งหมดสิบแปดมงกุฎยกทัพเข้าไปทันล่อมเพื่อจะเผาเพื่อจะลบกับพวกยักษ์ทศกัณฐ์กุมพันแย่งนางศรดากัน ถมทะเลลงไปเพื่อจะไปขลุมกรุงหลังกาเรื่องราวพวกมันก็เล่าไปเล่าไปมาถึงตอนหนึ่งว่าเจ้าฮนุมานทหารเอกที่เก่งกล้าที่สุดนี่แหละขาวออกมาเป็นเดินเป็นดาวเนี่ยถึงขนาดว่าเหาะขึ้นไปโน่นหาพระอาทิตย์ฉุดกระชากลากรถพระอาทิตย์ ผาดพนโจรทยานด้วยฤทธากระชากลัทธาสุริยันกระชากรถพระอาทิตย์เกือบจะตกเขาสุมเมนตายบอกว่าอยเพิ่งไปเลยพระอาทิตย์ขึ้นต้องแสงสุริยาจะอาสันพระรามจะตายให้พระรักจะตายเก่งกาดึ้วยะบห้ามดวงอาทิตย์ห้ามดวงกันถูกพระอาทิตย์เผาเหลือแต่เขี้ยวแก้วชัชชวีเขีเ้ยวแก้วมณีชัชชวาลขนเพชรและเขี้ยวแก้วเกาะอย่างไม่ตาย พระอาทิตย์ก็เลยบอกว่าฉันหยดรถไม่ได้ฉันจะขับเลี่ยงไปตามเหลี่ยมสิงครตามข้างเขาปุเมนไปนี่เพื่อมาให้แสงมันออกมาว่ากันนึกกันนักนั้นแต่อย่างไรก็ตามตัวฮนโมานนี่ก็เก่งมากขึ้นไปถึงนู่นนะฮะออกมาเป็นเดือนเป็นดาวหลังจากนั้นก็เข้าไปเผากุ้งลังกาเผากุงลังกาจนพินาศเลยบานยักษ์ เสร็จแล้วไฟที่ตนเองไปเผากลงลังกากลับมาไมตนเองไม่หางสั่นริกๆี่ลิกลี่ลิกลี่แกบินขึ้นไปสุดขอบฟ้าเพื่อจะไปดับไฟก็ไปเห็นหลักอยู่ห้าหลักไกลก็ บ, บินเข้าไปจะไปเห็นห้าหลักนั้นก็เป็นนิ้วมือนิ้วมือนี่ก็ตามลงมาตามลงมาก็มาเห็นพลือสี ก็เลยถามว่าอ้าวเนี่มันมือฤาษีทีทํายังไงจะดับน้ําทํายังไงจะมอดไฟที่มันไหมหางได้ฤาษีบนะอกว่า น, น้ําบ่อ น, น้อยของเจ้าอย่างขังนะเอาน้ําบ่อ น, น้อยนั่นแหละดับแกฟังไม่ถูกแกใจร้อนแกกับมดลงไปใต้บาดาล <c oughs> ห่อขื่นฝ่าสุดหยอดเขาพระสุเมนทั้งกับมดลงดินบาดาลสัตย์ดำ มันก็ยังดับไม่ได้วนไปเวียนมาก็มาถามลือสีอย่างเก่าเสร็จแล้วลือีก็บอกว่าไม่มีอะไรนอกจากน้ำบ่อน้อยสุดท้ายจนตรอกไปไหนไม่ได้ก็เลยเอาหางมาอมไฟก็เลยดับน้ำบ่อน้อยก็คือดับเองด้วยน้ำลายในปาก เรื่องนี้เป็นปริศนาสอนคนยุคนิกส์ยุคเทคโนโลยียุคโ no น p r o พร e m เบมยุคไม่มีปัญหายุคกบปัญหาที่จะเรียกว่าไม่มีปัญหามันเป็นไปไม่ได้ i m p o s i b l e dream เป็นความฝันที่เป็นไปไม่ได้ความทุกข์นั่นของจริงคืออริยสัจนั่นนะคือตัวปัญหา สมูุทัยเหตุให้เกิดทุกตัวให้เกิดปัญหานั่นก็เป็นของจริงเป็นสมุทัยสัตว์ทุกขะสมุทยัยเหตุให้เกิดทุกถ้าเป็นของจริงความดับทุกนิโรธตัวดับปัญหาปัญหานี่ดับได้แก้ได้และหันทางเพื่อจะดับเพื่อจะแก้ปัญหาคือมักมีองแปด ความเข้าใจอย่างถูกต้องเบื้องต้นจึงจะพูดได้เต็มปากว่าโนพรอเบมไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาต้องรู้จากการแก้ปัญหาก็ยังไม่แก่ความทุกข์ก็เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเหตุที่เกิดทุกข์ก็สร้างมาเต็มที่แต่บอกว่าไม่มีปัญหาก็โกหกทั้งตนเองก็หกทั้ง อ, องหงนอ่นไปเลืกเปลือยไปเลยมันก็เหมือนกับฮนุมานนี่แหละไม่มีปัญหาโนพรเบมหามาเป็นเดินเป็นดาว คนทุกวันนี้ขึ้นไปถึงดวงจันทร์ถึงดาวอังคารโลกมากจนป่าเทือนจะรวบดาวเดือนใส่ไว้ในกระเป๋าแสนล้าน <c oughs> กี่ล้านไม่พอรวบดาวเดือนใส่ไว้ในกระเป๋าสีวิไลล้วนหมายแต่จะเอาโลกของเรากลับหลังอย่างป่าเอ้ยคือไปสู่ความป่าเถื่อนแห่งจิตใจขากันได้ ยอมกันไม่ได้ระดับใดก็ตามทะเลาะ ก, กันเพราะผลประโยชน์ที่จะรวบดาวเดินใส่ไว้ในกระเป๋าทั้งหมดน่มันขาดติ้นขาดทาขาดสาปนะก็เลยทะเลาะ ก, กันเหมือนเด็กๆตัวเล็กๆนั้นเนี่ยมันก็วุ่นวายกันไปหมดไฟที่มันไม่เผากุ้งลังกาได้แต่เผาใจตนเองดับไม่ได้ไฟแห่งความโลภความเห็นแก่ตัวไฟแห่ง โทสะกระหายอำนาจแย่งกันกินแย่งตำแหน่งกันอยู่แย่งขู่พิษว่า์แย่งอำนาจเป็นใหญ่เป็นโตเพื่อจะได้กอบก้ยรวบเอาดาวเดือนใส่ไว้ในกระเป๋าดังกล่าวแล้วเมื่อดับไม่ได้ไปไหนก็เป็นทุกข์ทีนี่มีปัญหาละไม่ใช่ไม่มีปัญหาละที่นี่ มีปัญหาไปไหนจะแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีด้วยวัตถุด้วยคอมพิวเตอร์ด้วย <c oughs> อะไรก็แล้วแต่มันไปไม่รอดปวดหัวมัวเก้าอีกหน่อยมนุษย์ที่ว่าเป็นสัตว์ประเสริฐก็เลยกลายเป็นสัตว์ประสาทกันเต็มบ้านเต็มเมืองเป็นประสาทปัมป่มปัม่มเปอเปอร์หนักหนักเข่าก็กินยาตายผูกคอตายขาดตัวตายเบาลงมาหน่อยก็เป็นโลกกรเพาะความดันโลหิตสูงโลหิตต่ําไปแล้ว นี่เป็นอย่างเงี้ยมนุษย์ก็เลยขาดทุนศีศูนย์ขาดดุนแห่งจิตดุลแห่งธรรมชาติเลยเกิดทุกข์แทนที่มนุษย์จะอยู่เย็นเป็นสุขเจริญพัฒนากันขนาดนี้ไฟไม่หางแล้วคือไฟไม่หัวใจไฟแห่งความทุกข์ไฟแห่งความเเห็นแก่ตัวไฟแห่งความโกรธไฟแห่งความโลภไฟแห่งความหลง เอาสินเอาธรรมมาดับก็ไม่เอาเห็นว่าน้ําบ่อน้อยอันนี้มันไม่มีปัญหาก็ดับกันด้วยวัตถุไปเลื่อเปลือบไปในที่สุดมันแก้ไขไม่ได้ยุ่งไปข้างหน้าก็เลยกลุ้มอกกลุ้มใจใเป็นโรคประสาทกินยานอนหลับกล่อมประสาทกล่อมสมองหนักหนักเข้าไม่ไหว่ะเอาปืนยิงหัวตนเองตายค่ะตัวตายผูออกคอตายชนิสิตสัตว์ทั้งหลายเขาทําไม่ได้ พวกไก่กามมาแมวทั้งหลายเขาไม่ต้องมากินยาแก้ปวดหัวสักเม็ดเดียวหัวควายอยู่ในทุ่งในท่าไม่เป็นโรคประสาทต่มปั่มเปิร์เ ป, เปิไม่มีควายตัวไหนกลุ่มใจวิ่งชนต้นไม้ใหญ่ตายดีกว่าโดดหน้าผาตายดีกว่าไม่มีเพราะมันทั้งหลายมันไม่เอาไฟเผาตัวมานมันไม่ก่อไฟได้ใหญ่โตเหมือนฮนุมานเผาหลังตาพินาศ ทั้งหมดนี่คือความขาดสิ้นขาดทำขาดศ า, นะาสานาเมื่อขาดศาสนาสิ่งที่ตรงกันข้ามากับศาสนาะกับสินธรรมคือความเห็นแก่ตัวความโลภความโกรธความหลงมันก็ขายายจักรวรรดของมันเอาแล้วมีแต่ความเห็นแก่ตัวจะไม่มีโอกาสที่จะไว้ใจใครได้ ก็มองไม่เห็นคุณค่าศาสนาต่างคนต่างเห็นแก่ตัวต่างคนต่างดูถูกสินธรรมเกาะเบียดเบียงกันทั้งทางตรงทั้งทางอ้อมทั้งใต้ดินทั้งบนดินสารพัดไม่มีมิจฉิตท้จริงไม่มีศัตรูที่ถาวรขอให้ผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องโลกก็เลยวุ่นวายอย่างนี้ไปไม่รอดไปที่ไหนเลเนี่ยก็กลับมาสูนน้ำบ่อน้อย มาหาศิลหาธรรมเดี๋ยวนี้รู้สึกว่ากำลังเรียกร้องหาศิลหาธรรมมีการบวชชีพามมีการจัดอบรมระดมธรรมทางสานักงานข้าราชการหน่วยงานต่างๆก็มีการอบรมคุณธรรมแก่เจ้าหน้าที่อาจจะมาคนที่พูดอยู่ตรงนี้ไปได้พักได้ร่อนได้ตรงน้มเชิญได้ตรงนี้นิ ม, มนต์ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ความเจริญของศาสนาของสินธรรมที่คนสนใจอย่างนี้ มันเป็นความขาดแขนซึ่งแต่ก่อนไม่เป็นอย่างนี้นี่คือความขาดแขนเมื่อขาดแขนก็วิ่งเต้นต่อแหวง่งฮะอย่าเพิ่งล้มเข้าใจว่าศาสนะพุทธเจริญอาจารย์สมภพไม่ได้อยู่ถูกนิมนต์ไปทั่วไม่ได้หยุดและถูกนิมนต์ไปต่างประเทศสองสามประเทศมีโปรแกรมรอคอยอยู่ในปีนี้นั้นอาดามาก็ยังไม่ได้ภาคภูมิใจวันนี่คือความสําเร็จของฐานงานพระสองนีค่คือความเจริญของศาสนา อาจะมาเข้าใจใหม่สังหากว่านี่คือความขาดแคลนขาดแค้นขาดแคลนขาดแค้นตัวสิ่งที่เรีว่าสินธรรมหรือว่าธรรมวินยัยครรวินัยนี่คือสัตนาพระพุทธเจ้าท่านเรียกคำว่าสัตนาเนี่ยไม่เท่าไหร่ในพระไตรปิฎกมีกล่าวไว้สี่แห่งในเล่มที่ยี่สิบห้านั่น ข้อที่24ข้อที่34แล้วก็มีอยู่ที่ที่ขั้นกายเล่มที่10และอังคุตรนิกายเล่มที่10ประมวลแล้วมีอยู่4แห่งที่เรียกเป็นภาษาบาลีว่าพุทธศ า, า, าสนังพุทธศาสนพุทธศาสนา 21,926 หน้าพระไตรปิฎกฉบับบาลีนั้นมีคำว่าศาสนาอยู่4แห่ง ดีแห่งในคุตในคุตตะกนิกายสองแห่งและก่อนในทีคนิกายแห่งหนึ่งและก็อังคุตตรกนิกายนอกนั้นท่านใช้คําว่ า, ว า, ว า, านะธรรมวินัยและพรหมาจักรเขาว่าธรรมวินัยเนี่ยคือตรวศาสตร์ฐานะธรรมะและวินยัยวินัยคือระบบแห่งชีวิตและระเบียบของสังคมธรรมะคือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้และความถูกต้องสิ่งที่จะ ต้องกระทำลงไประบบของชีวิตคือวินัยวินัยของชาวบ้านเรียกว่าอาคาริยะวินัยระเบียบวินัยของชาวบ้านที่จะพึ่งอยู่ด้วยกันอย่างมีความตกในสังคมของชาวบ้านวินัยของพระเรียกว่านาคาริยะวินัยนันมันหลีกเรียกไม่ได้มันต้องมีวินัยระบบชีวิตและระเบียบของสังคมเมื่อชีวิตมีระบอบสังคมมีระเบียบมันก็ควบคุมภายนอกให้ไม่กระทบกระทั่งนอยู่เย็นเป็นสุข ที่นี่ก็มาพัฒนาภายในคือตัวคําว่าทำทำนี่คือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้คือตัวธรรมชาติและกฎกองธรรมชาติธรรมชาติมันเป็นของจริงอย่างนี้คือตัวทุกตัวทุกนั่นคือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้และเหตุให้เกิดทุกตัวสมุทัยตัวจะให้เกิดปัญหานั่นมันมีไม่ใช่ว่าโน้ตป๊อปเบมหลังจากนั้นมันก็มีอีกคือ ความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทําหมายความว่าตัวนี้โลดความดับทุกแก้ปัญหาเนี่ยมันถ้าแก้ถูกมันก็ดับมันก็ดับมันก็หมดปัญหาที่นี่จะแก้ให้มันถูกมันก็ต้องมีมากคือหนทางวิธีทางอะรเยอะมากมีองค์แปดนี่ที่ถูกต้องที่จะต้องกระทํารวมแล้วทำนั่นก็คือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้คือทุกเลยเหตุให้เกิดทุกปัญหาและเหตุให้เกิดปัญหา ความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำก็คือความดับปัญหาและหนทางปฏิบัติเพื่อดับปัญหารวมแล้วคืออริยสัตตีความจริงอันประเสริญนี้ไม่ต้มีอะไรมากและจะปฏิเสธไม่ได้วันโนเพราเบมมันจะมีมาทีหลังเมื่อมรักปรากฏขึ้นเส็แล้วทมและวินัยนี้แหละท่านเรียกว่าตัวสาตานา เมื่อพระพุทธเจ้าเราจะปรินิพพาน ล, ล้มหายตาจากไปทั้งก็ บ, บอกว่าธรรมโมจะวินาโยจะเทสิโตโซโวมามัจจเยนะสัทธาธรรมวิันอันใดเราบัญญัติแล้วเราได้สอนแล้วธรรมวิในนี่แลจะเป็นครูเป็นศาสต ร, ร, รดาของเถิดทั้งหลายในการละที่ล่วงไปแล้วแห่งเรา คำว่าทำวินัยจึงเกินไปหมดนอกจากนั้นผู้ใดที่ยังเข้าโสศาสนาคือเข้าสู่ความเป็นโสดาบันทั้งกระ บ, บอกว่าธรรมวินเยโอคทปัตตายัยางเข้าแล้วโสธรรมวินัยไม่คาดเคลื่อนงอนแง่งคลอ น, อ น, อนแค้นจ้างอีกแปดแส ล, ล, ล้านก็ไม่เปลี่ยนใจอย่างนี้เรียกว่าถึงศาสนายัางเข้าโสธรรมวินัย เทนี้อีกคำหนึ่งก็คือพรห ม, มจันย์พรหมะไปว่าประเสริฐจริยการประพฤติอันประเสริฐไม่เบียดเบียนตนเองผู้อื่นแก้ปัญหาได้ทั้งของตนเองแล้วก็ไม่สร้างปัญหาให้แก่ผู้อื่นด้วยเรียกว่าพรห ม, มจันท์เมื่อพระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้มีสาวกหกสิบผู้ท่านก็ส่งให้ไปเผยแพร่สิ่งที่เราเรียกว่าศาสนาใีแบบพรห ม, มจันทร์พรห ม, มจะเรียังประกาศเสถาเธอทั้งหลายจงไปประกาศพรห ม, มจันทร์ ตาระธาภิกขเวจารีกังเถิดทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปประหุชนหิตายประหุชนโสขายะโลกานุกรรมปายะเทวามนุษยนานังเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนเพื่อเอ็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกอกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพร ม, มาจาริยังปกาศเสถะเธอทั้งหลายจงไปประกาศพร ม, มจันคือแบบอย่างแห่งความเป็นอยู่อันประเสริฐไม่เบียดเบียนตนเองผู้อื่นไม่สร้างปัญหาให้แก่ตนเองและสังคม หลังจากนนะั้นท่านก็นบอกว่านี่ให้พากันไปอย่าไปทางเดียวกันดึงสองคนเรามีน้อยสิ่งที่ว่าผมมาจานทร์สิ่งที่เรียกว่ า, มมาทําวิในนี่คือศาสนาที่พูดแต่จะพูดเดียวนี่มันขาดแขนขาดแขนชีวิตไม่มีระบบสังคมไม่มีระเบียบมันขาดวิในไม่รู้จักความจริงสิงที่จะต้องรู้และไม่รู้จักประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องในสิ่งที่จะต้องกระทํา มันก็เลยเกิดปัญหาเห็นของหายเป็นดีมีคาเห็นดันดาวดงก ว, งว่างวาแปลหลังจากนั้นก็มองข้ามศาสานาะว่าศาสน า, าไม่มีประโยชน์ไม่มีความหมายอะไรเป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปีพูดกันไม่รู้เรื่องซะแล้วทีนี้ก็เลยเกิดความเดือดร้อนบุ่นวายพ่อแม่กับลูกพูดกันไม่รู้เรื่องเพราะไม่มีเชื้อปัสสานคือสิ่งธรรมคือสัตว์มานะ คู่ก็มีอะทะเลออาะกันอยู่ด้วยกันจนหัวงอกหน้าลูกเต็มบ้านล้านเต็มเมืองจะมาฟ้องหย่ากันตอนเท่าตอนแก่เพราะมันขาดศาสนาขาดินค้าทําเป็นอื่นไปไม่ได้ท่านจะเป็นอื่นไปไม่ได้เลยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เพราะเห็นนั้นเรื่องศาสนานั่นน่ะก็อยากจะฝากกันทั้งหลายว่ามันมีคุณค่ามีอํานาจทําให้โลกนี้สงบพรมเย็นอยู่เย็นเป็นศกมาได้ด้วยอํานาจศาสนา แต่คนตั้งหลายยังมองข้ามกันนี่มันก็ททำให้บ้านเมืองอยู่ในสภาพเช่นนี้แต่ก็เห็นได้ชัดวาดเดียวนี้รู้สึกตัวขึ้นมากขึ้นสถาบันการศึกษาชั้นสูงมองเห็นคุณค่าของศาสนาของศิลของคำนอกจากนั้นทางเสื่มมวลชนเมสมีเดียเห็นพระธรรมไม่ดีไม่งามเอามาด่ามาว่าตีกันใหญ่นี่แสดงว่ามีความเป็นห่วง มีความเป็นใหญ่มีความเสียดายอะไยอา ว, อวรณ์ขัวศาสนาจะหมดไปขวดวิในหัวธรรมนี่จะสิ้นไปแต่คนที่จะรักษาศาสนาคือพระสอง์องค์เจ้านั้นกำลังทำตัวไม่ดีไม่งามก็เลยทำให้คนตั้งหลายเป็นห่วง นั่งซื้อนั่งหาพวกซื้อมวลชนพวกนั่งซื้อพิมพกอดดีพวกโทรทัศน์วิทยุกดีวิจงวิจารณกั น, ด, ะกะ น, กนกด่าว่ากันแน่กันแน่กอดดีเหมือนกันนี่แหละคือการฟ้องสังคมมันฟ้องตัวมันเองศาสนาขาดแทนมันก็เป็นอย่างนี้สินําขาดแทนก็เกิดความเร่าร้อน จะต้องมาดับไฟที่มันไหม้หางไม่เจ็บไม่ใจด้วยน้ำเบาะน้อยเอาสินเอาธรรมกลับคืนมาทั้งหมดนี้ดูให้ดีดมันขาดแคลนสิ่งที่เรียกว่าศาสนาหรือเรียกว่าศีลและธรรมหรือธรรมวินัยนี้เองเขาเห็นนั่น ถ้าเรายังไม่รู้จักคุณค่าของศาสนาไม่รู้จักตัวแท้ตัวจริงของศาสนาเราก็จะมองข้ามคุณค่าอันนี้ทั้งๆ ท, ท, ที่ว่าเราได้รับประโยชน์จากตัวศาสนาทั้งทางตรงและทางอ้อมศาสนานั้นซึมซ่านแผ่ประสานปกคลุมหุม่มหอ่อโลกสังคมมนุษย์ให้สงบร่มเย็นและคุ้มครองไปจนถึงงูสัตว์และพืช ใบไม้ใบยญ้าตลอดทั้งสัตว์เล็กสัตว์น้อยแม่น้ำลำธานคุ้มคอแม้กระทั่งฟ้าทั้งดินและที่คนบราณของเราพูดงามใดข้องทาเจ้าองค์พุทธทษเกี่ยงมิลิตดินและฝ่าแดนดาวกะเดียงหวยเมื่อใดหมดสิ้นหมดทาหมดสาตนาแผ่นดินร้อนร้อนน้ำเน่าอากาศเสียสังคมวิปฤตแปลปวน ยกตัวอย่างสิ่งที่มีค่ามากที่สดแก่ชีวิตที่ซึมซ่านประสานปกคลุมหุ่มห่อให้ชีวิตของเราตั้งอยู่ได้มีอยู่ได้อย่างชนิดที่ว่าขาดไม่ได้เลยถ้ามันผิดปกติสิ่งเหล่านี้ก็เป็นทุกข์ทันทีแล้วก็ตายทันทีแต่สิ่งเหล่านี้เรามองไม่เห็นคุณค่าจนกว่าเมื่อใดเรารู้จักโทษ เห็นโทษได้รับโทษจากมันเราจึงจะมองเห็นคุณค่าของมันยกตัวอย่างชีวิตของเราอยู่ได้ทุกวันด้วยข้าวปลาอาหารแล้วนอกจากข้าวปลาอาหารก็มีน้ํามีอากาศน้ํากับอากาศนั้นเราขาดไม่ได้อากาศเราหายจะข้าวหายจะออกอยตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนเอบตายจนเราตายไป เราไม่เคยหยุดที่จะหายใจเอาอากาศส่วนน้ำก็เหมือนกันเราจะต้องดืม่มจะต้องใช้อยู่อย่างนี้ในอากาศในการมีน้าส่วนข้าวปลาอาหารต่างๆนั้นก็เป็นส่วนที่กินเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายแปลสภาพไปหล่อเลี้ยงอนุภาคต่างๆในร่างกายซึ่งต่างๆเหล่านี้เรามองไม่เห็นคุณค่าต่อเมื่อใดเราเห็นโทษของมัน นื้อเราก็ได้มาฟรีๆโดยไม่ได้ซื้อสักบาทเพราะได้ง่า ย, ายอาการเราก็ได้ฟรีๆโดยไม่ได้ซื้อสักบาททั้งๆ ท, ท, ที่มีค่ามากจําเป็นยิ่งกว่าข้าวถ้าเราไม่ได้กินข้าวนี่อาจะมาเชื่อแล้วเกินว่าสามเดือนก็ไม่ตายไม่ได้กินข้าวแตหาจิต ด, ดีจิตใจปกติมากรู้จักควบคุมกลไกธรรมชาติฝ่ายกายนี่ ด้วยสภาวะจิตที่สงบอิเฟิลเบียมอยู่ไม่ตายดอกสามเดือนก็ไม่ตายมาแตมาเคยลองอดอมายี่สิบวันเล่นๆสบายไม่มีความรู้สึกบ้ามันจะตายได้ไง่ายๆไม่ได้กินข้าวยี่สิบวันเนี่ยสบายๆคิดว่าสามเดือนก็ไม่ตายแต่ร่างกายก็พร้อมลงจิตใจก็ยังอ้วนท้วนสมบูรณ์อยู่ แต่ถ้าเราจะมาอดน้ำก็คงไม่ได้ถึงสิบวันหรอกห้า ว, วันก็คงจะตายแล้วทีนี้ถ้าหากเรามาอดอากาศอดหายใจเอาออกซิเจนคงไม่ได้แม้แต่สิบนาทีสามสิบนาทีคงจะต้องตายสิ่งต่างๆเหล่านี้เรามองดูคุณค่าของมันสิ่งใดมีค่ามากสิ่งนั้นยิ่งได้ฟรีๆอย่างอากาศ อย่างน้ำเราไม่เคยซื้ออากาศเราไม่เคยซื้อส่วนที่เราซื้อแพงๆก็คือข้าวปลาอาหารซึ่องอำนวยความสะดวกความสุขทางกายอย่างอื่นที่นี้เราก็เลยไม่รู้จักคุณค่าของอากาศไม่รู้จักคุณค่าของน้ำแต่ถ้าหากอดข้าวสิบวันเมืเ่อยี่สิบวันหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนยังไม่ตายอดน้ำสิบวันคงตาย อดหายใจเอาอากาศคงไม่ได้ถึงครึ่งวันคงไม่ได้ถึงชวโมงหนึ่งคงจะต้องรีบตายไวๆเพราะเหตุ น, นั้นถ้าเกิดว่ามันขาดแทนขึ้นมาพร้อมกันน้ําก็ไม่มีกินข้าวก็ไม่มีจะกินอากาศก็ไม่มีจะหายใจคนเราสัตว์ทั้งหลายจากดิ้นรนไปหาอากาศหายใจก่อนอื่นใด อยู่ตรงไหนมีอากาศหายใจจากไปตรงนั้นมีอาหารดีแค่ไหนมีข้าวปลาอาหารดียังไรขอตามอากาศจะต้องเป็นสิ่งจำเป็นสําคัญกว่าอันดับนั้นเมื่อได้อากาศแล้วก็จะหาน้ำกินแล้วก็จะมาหาข้าวปลาอาหารกินช้านใดก็ฉันนั้นศาสนาที่แผ่ซ่านปกคลุมหุ้มห่อสึนทรภ า, าบรสจิตใจมนุษยชาต ให้พ่อแม่เลี้ยงลกูกเลี้ยงเต่าให้มนุษย์อยู่ด้วยกันได้ด้วยอำนาจแห่งสินแห่งธรรมปาปบุญคุณโทษไม่เบียดเบียนกันนี่ส่วนผู้ที่ได้รับอนุภาพคุ้มครองจากศาสตนาจากสินจากธรรมไม่เข้าใจคุณค่าเพราะยังไม่เห็นโทษเมื่อบ้านเมืองเดือดร้อนพูดวายศูนย์รวมราชการหน่วยงานราชการต่างๆก็ต้องเรียกร้องหาสินหาธรรม ให้มีการอบรมระบบลินในคุณธรรมของข้าราชการพูดจาออกมาเป็นคำขวัญของชาติต่อเอาแหละพูดถึงวิในพูดถึงคุณธรรมจริยธรรมอะไรมากขึ้นเอาไปเอามามันจะต้องมีไม่กระทงธรรมะอมาตอ์อมาต์ฝ่ายคำเกิดขึ้นจะต้องมีกระสรวงศาสนาและหนักๆข้าวเนี่ยผู้แทนบางคนเรียกร้องอยากจะให้มีกระสรวงศาสนานประเดงว่าเขามองไปไกล เขามองเห็นคุณค่าของศาตนาแต่รัฐบาลส่วนมากยังมองไม่เห็นคุณค่าเพราะเห็นว่าตนเองยังอยู่ได้ยังนั่งอยู่ยังกอโป่ยยังอะไรได้แต่ถ้าคนขาดศีลธรรมเหลืออดเหลือทนความอดทนก็คือศีลธรรมลุกฮือขึ้นมาเมื่อ น, นั้นแสดงว่าวุ่นวายเต็มที่แล้วเพราะเห็นนั่นศีลธรรม น, นี่ซาตานานี่เป็นสิ่งที่ได้ฟรีๆไม่ได้ซื้อแต่เราไม่รู้จะคุณค่า เหมือนลูกเต้าอยู่กับพ่อกับแม่อาหารการกินไม่ได้ซื้อพ่อแม่หามาให้เสื้อผ้ายกยาอะไรต่ออะไรทุกอยาก่างพ่อแม่หาให้ฟรีมดรักลูกแต่ลูกยังไปรักคนอื่นยิ่งกว่าพ่อกว่าแม่มองไม่เห็นคุณค่าเพราะได้ฟรีๆจะกินข้าวท่านก็ไม่ให้ซื้อสักบาทจะอยู่ยังไงท่านก็อำนวยความสะดวกให้ แต่เมื่อใดพ่อแม่ไม่สนับสนุนเมือ่อใดพ่อแม่ไม่เลี้ยงดูปล่อยให้ปล่อยว่าเมื่อนั้นจะเห็นได้ว่าในโลกนี้คนอื่นไหนเล่าจะบดีเกินพ่อเกินแม่ที่ท่านเลี้ยงเรามาชั้นใดก็ฉันฉนั้นเมือ่อใดขาดศีลขาดธรรมความเดือดร้อนเกิดขึ้นก็จะเรียกร้องหาศีลธรรมหาตัณหาว่าโอ้ตาสนาหมดแล้วสิ้นแล้วคนจึงจิตต่าใจซ้ำกันถึงขนาดนี้ นั่นแหละพอเห็นนั้นทุกวันนี้มีการปวดชี่พามอบรมธรรมะอะไรต่างๆซึ่งสมัยสักห้าสิบหกสิบปีร้อยปีก่อนมันไม่มีทำไมมันไม่มีเพราะสมัยนั้นยังไม่ขาดแคลนสมัยนั้นบ้านเมืองยังอยู่เย็นเป็นสุขกันอยู่ยังเข้าอกเข้าใจยังเมตตาปลานีเ อ, อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเจือจุนให้อภัยกันได้ยอมกันได้ คนยังไม่มีความโลภถึงข น, นาดว่าเอาร่านเอาเปรียบกักตุนสินค้าขึ้นราคาอะไรต่ออะไรความจำเป็นทางร่างกายมันก็ไม่เหมือนทุกวันนี้ ความจําเป็นที่จะลอบไปซื้อรถยนต์สักคันนั่งมาขี่มอเตอร์ไซค์สักคันมาขี่ซื้อโทรทัศน์สักเครื่องมาดูวิดีโอสักอันมาเล่นอะไรต่างๆมันไม่มีเขาไม่มีความอยากชนิดนี้เพราะสิ่งเหล่านี้ยังไม่มีมาสินทำเขาก็ยังดีจิตใจเขาก็ยังสังบเขาไม่จําเป็นจะต้องมาบวชชีภามอบรมอะไรต่ออะไรเพราะเขาพออยู่ได้ แต่บัดนี้ถ้าจะว่าเองอย่างหนึ่งก็ชนิดที่ว่าดิ้นดิ้นดิ้นดิ้นร่นเพื่อความอยู่รอดบ้านเมืองขาดสินขาดทำเจริญทางวัตถุแต่ความเบียดเบียนกันมากเกินกว่าดิ้นร่นหาสินทำเพื่อความอยู่รอดผู้ภาษาลูกทุ่งโศกระโดกมาก็เรียกว่าดิ้นตายดิ้นตายเดีนี้ว่ามีสินมีธรรมแล้วพากันดิ้นตายพากันดิ้นดังตาย สินธรรมมันคุ้มครองไปไกลแม้แต่ต้นไม้ผู้พาน้ำป่าไม้สัตวาวาสิ่งมนุษย์เดี๋ยวนี้อากาศเสียเพราะคนขาดสินธรรมเดี๋ยวนี้น้ำเน่าเพราะคนขาดสินธรรมเดี๋ยวนี้ไม่มีอากาศจะหายใจในโลกตะวันตกที่จรเินทางเทคโนโลยี เพราะมนุษย์ขาดสิธนทำขาดตาตนานเดียวนี้นกนกปูปูเปียกอยู่ไม่ได้ไม่มีที่อยู่อาศัยเพราะคนขาดตาตนาขาดสิ้นรมเดียวนี้ภูเขาใหญ่ๆโค่นล้มทลายราบพนาศูนเพราะคนขาดสิธรรมเดียวนี้ป่าไม้เตียนไปจากโลกเพราะคนขาดสิ้นรมป่าไม้ใหญ่ๆโตๆพังพินาศป่าไม้ของโลกนอกจากคนทางขาดสิ้นรมมันยังตายของมันเอง ในนิวากันว่าโลกทางตะวันตกโลกได้เจริญมนุษย์ได้ดูดเอาแก้ธรรมชาติเอาน้ำมันเอาฟอสซิลฟิวเอ็นอะไรต่างๆเอามากลัน่นเอากาซเอาเชื้อเพลิงเอาพลังงานต่างๆเผาไหม้แล้วก็ลอยแล้วล่องฟ้องขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็กลายเป็นเมฆเป็นฝน เมฆฝนเหล่านี้กันตัวมาจากก๊าซจากแก๊สจากน้ำมันจากพลังงานโูโตเนียมพลังงานเดลเคลียร์และก็ยังมาเอฟเฟกต์มีปฏิกิริยากับสารซีเอฟซีคอโรฟูลฟอ โ, โรโคราร์บอนสารที่เอามาทำเป็นน้ำยาแอร์เอามาทำเป็นน้ำยาตู้เย็น พวกนี้มีปฏิกิริยามากกับอากาศออกซิเจนอบคาร์บอนข้ังบนรวมกันเป็นเมฆเป็นฝนกันตัวตกลงมาตกลงมาแล้วก็มีกดอยู่ในน้ำเรียกว่าเอซิสเรนตกลงมาเต็นที่ยอดเขาที่สูงที่ต่ำไหลลงไปขังกันอยู่ในน้องใหญ่ๆในทะเลสาบที่นี้เต่าห้อยปูปลาสัตว์น้ำที่อาศัยน้ำอยู่ไม่ได้ เพราะพิษภัยจากแก๊สจากก๊าซจากพวกพโูรตเนียมอะไรต่างๆมันอยู่ไม่ได้มันก็นเลยตายเดี๋ยวนี้ว่ากันว่าทะเลสาบตายไปไม่มีสัตว์ชนิดใดสัตว์น้ำสัตว์ไหนชนิดใดที่อาศัยน้ำในทะเลสาบอยู่ได้มันได้ตายไปแล้วสองพันกว่าแห่งนอกจากนั้น ต้นไม้ภูเขาต้นไม้ทั้งหลายในแถบแอฟริกาก็ดีในแถบยุโรปที่มีโรงงานอุตสาหากรรมชุกชุมก็ดีมันก็ได้เฉาตายเพราะแก๊สเพราะคาร์บอนเพราะฝนที่มีกฎเรียกว่าเอซิสเรนตกมาถูกมันรากมันดูดขึ้นไปกินก็เป็นพิษใบมันรับอากาศก็อากาศเป็นพิษ ใบมันก็ร่วงรากมันก็เน่าต้นมันก็ตายไม่มีใครทางต้นไม้ยืนตายเป็นหมฆแก ล, ลอดตายแล้วแต่หั้งต้นไม้ก็ตายเพราะมนุษย์ไม่มีศีลทำความโลภของมนุษย์โลภมากเจาะพื้นแผ่นดินบูแผ่นบูแผ่นพื้นบูแผ่นทอละนีเอาหมดทุกอย่าง เที่ยวทองทมลทิทัญญาถึงเวหาห่วมเหียงพระจันแจงดำดินดันเมโคคัมเมกบินลวงฝ่าอิงเอื้อมแทนอินอิงเอื้อมแทนอินเดี๋ยนี้ขึ้นไปฟ้าขึ้นไปถึงดวงจันดาวอังคารดวงดาวต่างๆเอาจะรวดเอาอะไรไปพ่นคาร์บอนอยู่บนฟ้าแล้วก็มุดลงไปในดินในกลางทะเลเจาะ เอาน้ำมันใตดินขึ้นเมื่อกันไอควันกบไปก็ะสิ่งเหล่านี้เป็นพิษหลังจากเป็นเป็นเป็นกันตัวเป็นฝนตกลงมาต้นไม้ดูดเอาน้ำชนิดดีขึ้นไปหล่อเลี้ยงลำต้นเก่งการดอกใบมันกเกาะเฉาตายอากาศที่เต็มด้วยคาร์บอนความร้อนของโลกสูงขึ้นภูเขาน้ำแข็งถูกขวโหลกเนื้อเมื่อถูกความร้อนจากพิษภัย ที่มนุษย์ที่เต็มได้วยความโลภไม่รู้จักหยุดจักหย่อนเบียดเบียนธรรมชาติเบียดเบียนแผ่นดินแผ่นน้ำแผ่นฟ้าต่างๆเนี่ยมันก็ละลายทำให้น้ำนี่สูงขึ้นความร้อนในหลอกสูงขึ้นมนุษย์ประโยชน์ยากเดี๋ยวนี้บ้านช่องห้องหอของชาวฝรั่งถูกฝนตกมาแทนที่จะใช้ได้สักร้อยปีเรือเพียน ห้าสิบปีสี่สิบปีกันมันผุมันดอกมันง่ายเพราะว่าฝนมันมีกดฝนมีพิษมากดมาตัดกินเขาก็เลยดิน้นหลนน้าจะต้องซื้อกินเป็นคิวบิกเม็ดน้ําฝนก็กินไม่ได้ต้องซื้ออากาศก็เสียหายใจไม่อิ่มเดี๋ยวนี้จะต้องซื้ออากาศหายใจมีโลงกันอากาศเข้าไปนี่ท่้คิดดูสิทีนี้อากาศเนี่ยจะขายแพงยิ่งกว่าข้าวขายแพงยิ่งกว่าน้า น้ำกว่าจะขายแพงยิ่งกว่าข้าวต่อไปมันอดมันอยากข้าข้าวปลาอาหารสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คืออากาศถ้าไม่ได้หายใจไม่ถึงชั่วโมงมันก็ตายนี่ให้จะเห็นได้ว่าถ้าขาดศสาศสนขาขาดสินขาดธรรมแล้วมันทําให้แผ่นดินแผ่นฟ้าแผ่นน้ำปูปลาต่างๆ ต, า, ง ต, า, งตายหมด เพราะคนโลภที่ขาดธรรมะจึงโลภทําไมจึงโลภเพราะขาดธรรมะโลภทําไมด้วยความอยากได้อ ย, ยากมีอยากเป็นอยากเล่นอยากนั่งเพื่อจะกอบโกยเก็บกรรมเพื่อจะใด้ใหญ่ใช่ไหมโตแย่งคนอื่นกินแย่งเต็นคนอื่นอยู่อย่างขู่คนอื่นพิษวานอย่างอํานาจเป็นใหญ่เป็นโตให้มากๆรวบเอาดาวเดือนไว้ในกระเป๋าสีวิไลล้ลวนหมายแต่จะเอาโลกของเรากลับหลังจากป่าเอ๋ยเกิดความป่าเถื่อนทั้งด้านใจิตใจทํายังไงจะได้ เดี๋ยวนี้สงครามโลกมันจะระเบิดมันจะเกิดขึ้นทีตะวันออกกลางอย่างชนิดที่เรียกว่ายกกองกำลังอะไรต่ออะไรไปจออ่อคอห้อยกันปิดล้อมอามีพวกขีปนาวุธอะไรจ่อคอกันไว้ท้งนั้นก็จะเล่นอาวุธเคมีอาวุธนิวเคลียร์ก็พร้อมที่จะลม่มทั้งหมดนั่นคืออะไรคือขาดศิลธรรมด้วยกันทั้งหมดแล้วก็แย่งกันแย่งอะไรแย่งน้ำมัน น้ำมันนั่งของไขของธรรมชาติแย่งน้ำมันแย่งแก๊สแย่งสมบัติทำไมจึงแย่งเพราะโลภทำไมจึงโลภเพราะขาดสินธรรมขาดสินธรรมนั่นก็คือขาดศาสนาในที่สุดมันก็จะเกิดสงครามกันอย่างนี้ลองทิดดูนั่นนะคือขาดสินธรรมคนโบราณจึงบอกว่ า, วาสินธรรมอง์พุทธเจา้า ค้องถ้าองคุโธเจ้าเกื่องมีลินดินแหละฝ่าแดนดาวกะเดียงหวยนี่คนดิบฟูแ ผ, นผ่นเผืนเที่ยวทองถ้ำฤทธิ์ ท, ทาาทถึงแวงหาหวอมเพียงพระจันแจงดำดินดันแเม่โขคัมแม่บินลวงฝ่าอิงเอื่อมแทนอินนี่หักแม่นนอลาชาเสือเนวนอน้ า, นน า, นาค้น คนเราทําได้หลังจากนั้นก็จะเบียด NA, เบียนอาเกล่อมค้าน่านั่นเนื่องนี้ทัพย์สิงเน่าอยู่นามผ้ากันดิดันตายฟู้งหมูสกุลชาเชือหุ่นหมูปักศิลปะกันบินไปห้าไม้เศร้าเน่าอย่างบินบนผายนี้ตายเป็นห ม, มูผู้ใหญ่พาแผ่นหลาดถลายหลหล่อมเลาเลือด เ, เปลี่ยนปิงแปรของขอบทันทะเสกคนห้นในฆ่าเมฆเหมือกวดทันหลังใหม่สายนง ง, งามเหลือล่าสีสูดเมฆ เจ้ากวาดคนข่าวแดนดาวเดืนอนงวยไม่มีใครจะช่วยได้เทพ้าพร้อมอินพ่มเพี้ยนสวยใดเบาะกันเป็นเฮาพี่น้องไล่ถิมหอมทำไม่มีใครสามารถจะช่วยได้เทวดาฟ้าดินที่ไหนจะช่วยได้ทาให้ลดความโลภลดความโกรธลดความหลงออกมา ก็คือกลับคืนมาสู่จุดดือจืนอันถูกต้องคือพื้นฐานแห่งสัมมาทิฏฐิความเข้าใจถูกต้องถ้ามนุษย์เข้าใจว่าเราไม่อยู่เกือบร้อยปีก็จะบอกเมืงอมลายาตมิตรดวงอาทิตย์ศัตรูคู่เวนเข้าเหลือแห่งชีวิตเดียวเรากดจะล้มหายตายไปเราจะเอาอะไรนะั่งนะสิ่งที่เราหาได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ของเรามัาจะต้องทอดทิ้งไว้หมด ไม่มีใครใหญ่ใครโตทั้งอเมริกาทั้งรัสเซียทั้งซัดดำฮุตซอกฮุตเซ็นอะไรมันไม่ได้ทั้งนั้นมันจะทิ้งแต่ในนี้ความโลกมันไม่ยอมันขาดเส้นขาดธรรมมันจะเก่งมันจะดังมันจะยิ่งมันจะใหญ่มันจะดูดเอาน้ํามันให้หมดคนเดียวเอาแก๊สคนเดียวเป็นเจ้าพลังงานคนเดียวเป็นเจ้าโลกคนเดียวในที่สุดมันก็จะต้องล้มหายตายไปมองไม่เห็นเงื่อนไขสุดท้ายของชีวิตจากนี้ เพราะมันขาดเทินขาดทําความโลภปิดตาบังใจความเทินแก่ตัวโทสะมันก็เกิดขึ้นคือเมื่อคนเอื่มขาขัดขวาง ม, มันก็เกิดโธสะขึ้นมาเนี่ยเป็นอย่างเนี้เพราะเหตุนั้นเราจะเห็นได้ว่าเมื่อศาสตนาเสื่อมลงสินธรรมเสื่อมลงมันเดือดร้อนทั้งแผ่นฟ้าแผ่นดินทั้งสัตว์ในน้ําสัตว์บนบกสัตว์ไปคูเขา ทั้หล่มทั้ลายภูเขาใหญ่ๆพากันแจ่งกันระเบิดภูเขาเออกมาทำเป็นปูนซีเมนต์เอามาทำเป็นหินทำบ้านทำช่องทรงไหนมีเพชรมีพลอยแย่งภูเขากันขุดเจาะราบพนาสูนทางพงไพ่ป่าเป็นตายเกี่ยนอาเกลอบข้านั่นเนื่องหนีผู้ใหญ่พาแผ่นหลาดตัวเตีย้ยต่ำปูทั้ลายหล่มล้วเรียด เสร็จเลยมนุษย์เราเกงนึงนาดนั้นเมื่อขาดสินขาธรรมมันเบียดเบียนถึงขนาดนี้ถ้าหากยังมีศาตนานมีสินมีธรรมน้ำจะไม่น่าวอากาศจะไม่เสียเพราะนั้นคนโบราณจึงบอกว่าเมื่อเวลาใดผู้มีบุญมาเกิด น, น้ำในแม่น้ำจะใสจืดเย็นสนิทต้นไม้จะเขียวสดงดงามอากาศจะเยือกเย็นลมพัดกระพือมแผ่วเบาอย่างงดงาม ทั้งหมดนั้นมันก็ถูกแล้วมันก็ถูกแล้วไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันดอกคนมีสินมีธรรมจะไม่เบียดเบียนป่าเขาลำเนาไผยไม่เบียดเบียนแหล่งน้าไม่เบียดเบียนแย่งอเอาแก๊สธรรมชาติธรรมชาติมาตันมาเผากันอากาศก็เย็นต้นไม้เขียวสดน้ำใสเดียวนี้น้ำใสไม่ได้น้ำมันเน่าแม้แต่ในทะเลปู ป, ปาก็ยกไม่ได้ทำไปอย่างนั้น ต้นไม้จะเขียวได้ยังไงมันถูกทางถูกทหลายพวกไม้ทางก็ถูกฝนอันมีพิษอันเกิดจากฝีมือของมนุษิด์ดูดเอาแก๊สเอาอะไรไปกันจนเป็นเมฆเป็นฝนตกลงมาทำให้ต้นไม้ตายต้นไม้ก็ไม่เขียวอากาศก็ร้อนมากขึ้นไม่เย็น ที่บอกว่าผู้มีบุญเกิดขึ้นเมื่อไรอากาศจะเยือกเย็นภูเขาเขียวชะอุ่มต้นไม้เขียวสดงดงามฝนฟ้าตก อ, อ่ตามละดูการน้ำในลำธารใสไหลเย็นเห็นตัวปลาไหวแหวกปฐมมาอยู่ไว้ไว้ดังกล่าวและเดียวนี้สิ่งเหล่านั้นได้วิปริตแปลปวดเพราะขาดเป็นขาดรมโรคจึงร่มเย็นอยู่ได้ด้วยอำนาจศาสนาเดียวนี้ถ้ามันไม่ร่มเย็นก็แสดงว่า ศาสนานั้นได้กำลังจะหมดอำนาจกำลังหมดกาลังกาลังจะเป็นอมภาตมีเพียงในปากของคนในความรู้สึกเพียงว่าศาสนาแต่ในจิตในใจมันมีแต่ความโลภความเห็นแก่ตัวเข้ามาแทกที่เพราะนั้นจะได้อวดดีไปเลยว่ามนุษย์เนี่ยจะมาเก่งเกินกว่าความเป็นผู้มีสิ้นมีธรรม ฮานุมานไปไหนไม่รอดไปเจอแต่หลักห้าหลักต้องบินลงมาหาถามฤาษีหลักทั้งห้าก็คือขั้นห้าหรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นแย่งรูปสวยรวมงาม แย่งเวทนาความสุขความทุกข์ความพอใจไม่พอใจชาชนะแล้วฉันมีความสุขใจเป็นสุขเวทนา เ, เวทนานี่ที่ทาให้มนุษย์โลภปลาขาปันกันแย่งเวทนายางสุขะเวทนาแย่งความพอใจแย่งความเป็นใหญ่ พวกเมียทะเลาะกันเพราะให้เวทนาสุกขเวทนาทางการมาล้มให้แก่กันไม่สมดุลไม่ถูกใจมันทะเลาะกันเทวดาทะเลาะกันบนสวรรค์เพราะแย่งเวทนากัรทำนี้ทำมาขั้นโลกรุตละรร ม, มีสติจอดยุดทุกขผัด ส, สะทุกลมหายใจ มันคิดอะไรก็รู้มันพอใจก็รู้มันไม่พอใจก็รู้มันยินดีก็รู้มันยินร้ายก็รู้วิสังยุตโตนังเวเทติภาจิตออกมาเสียจากเวทนาไม่ยอมเป็นปัญหาไม่ยอมเป็นเจ้าของ drawn, สิ่งเหล่านี้รับรู้รับทราบปล่อยวางรับรู้รับทราบปล่อยวางถ้าทำได้อย่างนี้โลกจะพันพวนวิกิตรการจะแปรปวนธรรมชาติจะเร็วล่ายางไร ก็จะอยู่อย่างสงบเยือกเย็นผ้ากกิดออกมาจากเวทนาวินยะโลเกอาพิชาโทมันสังค้นความพอใจไม่พอใจออกจากโลกเสียไดย้มันก็ดับสนิทเป็นนิพพานอยู่ตรงนี้เพราะเห็นนั้นความเยือกเย็นของศาสนามีหลายระดับ ยือกเย็นระดับศีลธรรมทาให้บ้านเมืองสงบคร่อมเย็นพ่อแม่พี่น้องทั้งคมอยู่ด้วยกันฉันพี่ฉันน้องสงบคร่อมเย็นไม่เอารัดเอาเปรียบกดขี่กดแข่งผัวมีศีลมีธรรมเมียเยือกเยน็นเมียมีศีลมีธรรมผัวเยือกเย็นลูกมีศีลมีธรรมพ่อแม่เยือกเย็นใจพ่อแม่มีศีลมีธรรมลูกก็เ ย, ย็นอกเ ย, ย็นใจนี่เย็นระดับศีลธรรมโรคร่มเย็นได้ด้วยอํานาจศักนาเย็นศีลเย็นธรรม ผัวมีสิ้นทำเมียสาบายใจผัวไม่มีสิ้นทำเมียไม่มีสิ้นทำไปเล่นชู้ผัวไปเมืองนอกส่งเงินมาให้เดินละเมินเมียขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวกับชายหนุ่มผัวรูเข่าเป็นลมมันไม่เยือกเย็นมันร้อนมันตกนาลกประพุทธเจ้าของเราตอนเป็นหนุนม่มหนุ่มใครเห็นใครก็บอกว่าเยือกเย็นคนนี้มีสิ้นมีทำใครเขาเห็นเขาก็พูดคำเดี๋ยวนุน่น นิพพุตานุนสัสามาตานิพพุตานุนสัส า, ป, าปิตานิพพตานุนัสาภาริยาบุรุษคนนี้เป็นลูกใครพ่อแม่เย็นใจเป็นผัวใครเมียก็เย็นใจเห็นไหมนิพพุตตานิพพุตตังแปลว่าเย็นนี่เย็นระดับเสียงธรรมเย็นสูงขึ้นมาเย็นระดับ โลกลตละธรรมพลาดจิตออกมาเสียได้จากเวทนาไม่ยินดีไม่ยินร้ายรู้จักสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้จังทุกข์ันอนณาตาวิสังหยุดโตนังเวเทติพากจิตออกมาจากเวทนารับรู้รับทราบปล่อยวางไม่เป็นเจ้าของความพอใจไม่เป็นเจ้าของความไม่พอใจ มองสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นไม่อยากให้มันเป็นตามที่เราอยากดูไปดูไปมันก็เย็นลงเย็นลงจิตก็จะเย็นแสนจะเย็นก็ไปในจิตในใจในหัวสมองในกระดูกระเที่ยวเช่นแสนจะเย็นเหมือนเอาน้ําแข็งมาแช่ไว้ในตัวหลังนนะจิตใจก็เย็นหมด พิษใดๆที่จะเสียบแทงองวิสาคาะตะมะนัสตาไม่มีพิษใดๆเสียบแทงจิตใจอวิสาขาโรอาหารใดๆไม่เป็นพิษอาหารตาอาหารหูอาหารจมูกลิ้นกายใจไม่เป็นพิษให้ยินดียินร้ายอย่างนี้เลยว่าเยนระดับโลกุตละธรรมเย็นจนว่างว่างว่างว่า ง, า ง, างจากความยึดมั่นเทอมั่นปล่อยวางชนิดที่ไม่ป่าเถนะความปล่อยวาง ในโลกมันร่มเย็นอยู่ได้อย่างนี้ถ้าใครสามารถพัฒนาศักยภาพของตอนเองจิตใจตนเองมาถึงขนาดนี้ก็เรียกว่าอาริยะเจ้าอาริขาสึกยะไปอริยะผู้ไปไกลจากฆาศึกไกลจากความร้อนของกิเลส ข, ของโลภโทสะโมหสีติภูตังเป็นผู้เย็นเย็นยินยินเ ย, ย็นกายเพราะกายร่ำเงับ เย็นจิตเพราะจิตรำงับเย็นวิญญาณเพราะอุปทานความยึดมั่นรำงับดับไปจึงมีเย็นหลายระดับเย็นศีลธรรมเย็นพ่อเย็นแม่เย็นพี่เย็นน้องนุนัตามนาซานิพุตานุนซัซาปิตานิพุตานุนัสมาตา ลูกมีศีลธรรมไม่ดูดไม่สูบบุหรี่ไม่ดมกาวไม่กินเหล้าเมายาไม่ติดเฮโรอินยาฟินเชื่อถ้อยฟังคำพ่อแม่เย็นใจนิพุตานุนัสามาตานิพุตานุนัสาปิตาเป็นลูกใครพ่อและแม่กเ็เย็นใจเย็นใจมีเย็นศีลธรรมนิพุตานุาานัสาภาริยานิพพุตานุนัสาซามิกา เป็นเมียใครผัวเย็นใจเป็นผัวใครเมียเย็นใจผัวมีศิลเมียก่อเย็นใจไม่ต้องร้อนใจเป็นห่วงว่าจะไปน อ, อกมีเมียเลวเล็กเมียน้อยผัวก่อเย็นใจเมียไปไหนก็นสบายใจมั่นใจเมียฉันไว้ใจได้อะไรพวกเนี้ยมันก็ดีทั้งนั้นนี่เรียกว่าเย็นศิลธรรม ทุกคนในบ้านในเมืองมีศีลทำความเอารัดเอาเปียบโกดขี่ขมเหงกันมันก็ไม่มีมันน้อยลองน้อยลองไว้ใจกันได้เป็นสวรรค์บนพื้นแผ่นดินไม่ต้องรอตายเน่าเขาลงหนี่เรียกว่าเย็นขั้นศีลขั้นธรรมเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นนัลกาโนนาสามาตานัลกาโนนาซาติดตาเป็นลูกไข่พ่อแม่ตกนารกเป็นผัวไข่เมียตกนารกเป็นเมียไข่ผัวตกนารกเราร้อนใจเพราะมันไม่มีศีลไม่มีธรรม เพราะนันเย็นขั้นศิลธรรมอ้อต้องเย็นอย่างนี้เย็นสังคมเย็นลูกเย็นพวเย็นเมียเย็นพ่อเย็นแม่เย็นจิตเย็นใจที่ลูกเต่าพวเมียพ่อแม่ตนเองมีศิลธรรมเย็นโลกุตละธรรมทำสมาธิให้กายลำงับจิ็นแสนเจนในกายมีสติกำนดรู้จักจิตรู้จากเวทนา รู้จิตมามากจิตใจเย็นไม่เร่าร้อนไม่รักง่ายไม่โกรธง่ายไม่เกลียงง่ายรักยากโกรธยากเกลียดยากมุบยากเซนสテีブน้อยลงน้อยลงทีนี้่รู้จักเวทนาความพอใจไม่พอใจความรักความชังรู้เท่าทันปลดปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางรู้เท่าทันกําหนดรู้เหยียงนี่เพาะปูนการปล่อยวางมันก็เย็นอีก อย่างนี้เขาเรียกว่าเย็นวิญญาณเย็นเพราะไม่มีอุปทานความยึดมั่นเทอามันศาสนาจึงมีอนุภาพมีคุณค่ามากเหมือนอากาศเหมือนน้ำเหมือนอากาศที่หายใจเหมือนน้ำที่ดื่มกินเข้าไป แต่หากว่าเราได้น้ำฟรีๆเราได้อากาศฟรีๆไม่ได้ซื้อก็เลยมองไม่เห็นคุณค่าถ้าขาดน้ำเมื่อใดจะต้องร้องให้ไปหาน้ำถ้าขาดอากาศเมื่อไรจะต้องรีบไปหาอากาศเพราะมันจะตายก่อนได้กินน้ำมันจะตายก่อนกินข้าวถ้าขาดลมหายใจชันได้เพราะฉะนั้นสังคมขาดศาสนาขาดติงขาดําเมื่อ น, นั้นสังคมจะต้องเรวรายิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉาน สัตว์เดรัจฉานมันไม่มีความคิดมากเข่ามนุษย์ความทุกข์มันก่อน้อยอาหารนิทราพยาเมทุกนั้นจะสามันในตับปัสุภิณาร้านนังการกินอาหารการนอนหลับสบายกลัวตายวิ่งหนีสืบพันธุ์ระหว่างเพศสี่อย่างนี้มีเท่ากันระหว่างคนและสัตว์ไม่เท่ากันคนมีมากกว่ามันถ้าคนขาดสิ่งทำเสพพันตืบกรรมก็มากกว่าสัตว์ตัดมันครั้งเดียวมีลูกมันก็เลิกมนุษย์เนี่ยไม่มีทางเลิกมันเป็นอย่างนั้น ธรรมโมหิเตสังอาธิโกวิเศสโสธรรมะตานานี่ทำให้มนุษย์วิเศษสูงสุกว่าสัตว์ประเสริฐกว่าสัตว์ธรรมมานิปหีนังปะโสภิสมานาทาขาดทำเสร็แล้วคนและสัตว์ก็เท่ากันสมานาเสมอกันอาต ม, า, มาขอเทียงหัวชนฝาว่าไม่เท่ากันไม่เท่ากันมนุษย์เลวกว่าสัตว์ร้ายกว่าสัตว์ท่าขาดสิทธรรมท่าขาดาตานา สัตว์ทั้งหลายผสมพาน์กันมันกัดกันมันชนกันแย่งกันเพื่อจะเลือกสรนพันธุ์ที่ดีไว้ต่อสู้กับโลกเมื่อหมดหน้ามันฟังกิ้งซีซั่นกันแล้วมันก็เลิกแต่มนุษย์ไม่อย่างนั้นมนุษย์ขาดทําเลวกว่าสัตว์เดรยวเลยขาดฆ่ากันได้ทั้งโลกใช้ระเบิดที่ปณามุสอะไรต่ออะไรขาดแล้วผมคืนคมคืนแล้วขาดขาดติ้นทําเป็นโลกประสาทตํา่ับเป๋อๆผูคอตายกินยาตาย ไม่มีสัตว์ตัวไหนโดดหน้าผ้าตายบิง่งชนต้นไม้ตายมันไม่เป็นทุกใจป่านกับคนเอาละเนาะข อ, อยุติด้วยเวลาจำเป็น